ปัิญาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ยาตรปัิญากำหนดรู้โดยกรรันรู้อืมประหารเ ป, รรปร็นบายะปิญญาไม่ใช่ว่าอืมชําเร็จัยการประหารเจิตทั้งหลายทั้งปวงมันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบเป็นไงคนเรียนกฎหมายนี่เนี่ยเรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความเฉลียวฉลาดคนนั้น ถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโหว่ตรงไหนก็เอาที่ฎีสะโรไปตรงนั้นนะเกิดจะแก้อย่างงั้นอืมเรียนเพื่อจะทําลายกฎหมายอืมไม่ใช่ทําให้กฎหมายให้สมบูรณ์อือันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมเรียนไปยงงั้นก็เรียกว่ามัน เันไม่เกิดประโยชน์มันทำลายประโยชน์ในไหนที่จะมีประโยชน์ไปทำลายเียประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควรอันนี้ก่อนเหมือนกันอืมไอ้ความรู้เพื่ออาชีพมันก็เพื่ออาชีพเคนนั้นอืมมันเป็นโรกียาวิสัยมันก็หมุนไปตามโรกีอยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกัน คำกับพูดพูดไปอย่างนึงการกระทําก็ไปอย่างนึงจิตใจก็ไปอีกอย่างเป็นข้าจะพูดกับเธอดีๆแต่ว่าอ่าจี่ของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่อจะแงะงัดอะไรต่ออะไรยังมีความปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจอ่าไม่ใช่ว่าอือ คือเอาความชั่วมาประกาศเปลี่ยนไอ้ความดี ม, มันต่อไปไมีไรไม่ได้มันก็เป็นโลกืมเพราะนั้นมันถึงยากลำบากอยู่การบวชคือปรากทั้งหลายท่านว่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังฟังเราทั้งมันถูกมันผิดนั่นแหละ ที่เรามีปัญญาฟังแหะมันไม่ผิดไม่ถกูกหรอกถ้ามันไม่ถกูกเรากดเจ็บไว้เพื่อปจารนาส่วนจะละมันออกไปเสียถ้ามันถกูกเราก็นำไปประติปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในตัวอตอของเจ้าองมันก็เกิดประโยชน์ขนานั้นอันนี้โดยมากมันก็นี่ว่ามาบวชกัน โดยมากใครก็ตามจะมาบวชกันเห็นว่าอยู่ในโลกมันยุ่งยุ่งแต่มันยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งนี่ว่าจะเข้ามาบวชแล้วมันก็จะสบายสบายเพราะจะได้นอนสบายสบายกินสบายสบายสบา ย, บายไม่ต้องไปทํา ง, งานอะไร ท, ทั้งรูปอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่งนเมื่อมาถึงที่นี่แล้ว ถึงเวลาจิตวิวัฒนเกิดขึ้นมาที่หลวงจะต้องทำกันเขาก็ต้องทําเราก็เห็นว่าเราบวชมาพักก่อนกันไม่ต้องไปทําอะไรกับเ้ามันคิดเห็นเป็นอย่างนี้จ้ะเมื่อครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทําการงานจิตวิวัฒนตอนเชา้ามาก็ไปจับขมาตอนเย็นประบวชให้อุปชาจะต้องนั่งบากสอนไปตั้งแต่นะโมอืมตลอดทุกคำไม่รู้เรื่องนี่ไ่ มาบวชก็จงมาศึกษ า, าการบวชหน้าที่ของอุบาสกหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรอืจึงจะไม่นักกหนักใจกับอุ้ประชาอาจารย์งั้นที่นี้จึงบวชกันจึเหตุผลพอทุมควรอย่างนั้นบางทีมันยังคุมไม่ไหวใช่ไวมไอคนไม่รู้มันก็ไม่อะไรเนาะอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ย เราบอกว่าท่านจงทําย่างนีนะเพราก็ทําไปอืมท่านจงกระทําอย่างนี้นะเขาก็ทาไปต า, า, ามเรื่องเขาขอพราะว่าความเคารวะครูบาอาจารย์กระทำไปอย่างนั้นมันก็ง่ายขึ้นแต่เรื่องนี้มันมีเหตุผลกันมากอืมทํามานี้เพื่ออะไรอืมโคดอย่างนั้นเืออะไรเรามันมีปัญญาดิ่งปัญญาอะไรก็เลยมีเหตุผลกันทั้งนั้น อะไรก็ไม่ต้องทำงานอะไรกันจะต้องมาถกเถียงเหตุผลแต่ในมันชอบซะก่อนที่นี่ถ้าควรหากว่าไม่เป็นธรรมนะมันจบรงที่ตรงไหนนะเลยไม่ได้ทำงานอะไรกันเนะี่ยถกเถียงเรื่องเหตุผลกันตลอดเวลาเท่านั้นยุ่งไม่ต้องทำงานงานอะไรอย่างงี้ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่เหนว่านราจะไม่สอนมากมเราสอนเพียงว่า เคล่นไหวกระโจนไปนี้มันตั้งอยู่นี้อีกสองนาทีแล้วให้ท่านยกกระโจนไปนี้มาตั้งไว่นี้เมื่อตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ทำยกกระโจนไปนี้มาตั้งไว่นี้เมื่อตั้งนี้แล้วอีกสองนาทีก็ให้ท่านยกกระโจนไปนี้มาตั้งที่นี้เท่านี้น่ะเไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยอันนี้มันจะนันนี้มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วนี่ แต่เมื่อทำครั้งแรกก็ใจของคนเราก็เดย ม, มันไม่เกิดประโยชน์อะไร<ม>ยกกระโถนไปนี่มาตั้งที่นี่ยกที่นี่ไปตั้งที่นี้เร่านี้มันจะมีเหตุผลอะไรตรงนี้แหละตรงที่จะให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้จะปลดจิตใจของเราอถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึง เราเข้าใจมันถึงเช่นว่าบุรุษบุรุษสีไฟมีมีไม้ไผ่สองซี่ืมแล้วก็ไอ้ความเป็นจริงน่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั้นบุรุษนั้นเอาไม้ไผ่นั้นมาสีไฟเขา้าจนกลัวให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้น จนมันร้อนจริงๆระงนะจนมันเหนือร้อนไปนู้นเกิดเป็นไฟขึ้นมาเกิดเป็นควันขึ้นมาเมื่อควันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้จะถึงเป็นไฟแล้วนะผู้ดูนั่งกดสีทับไปเรื่อยๆไฟมันก็เกิดขึ้นมานี่มันมีไฟอยู่เงี้ยธรรมชาติกันนี้ไอ้ที่นี่ศรัทธาเราไม่ถึงไม่พอท่านมีไฟอยู่ตรงนี้มีนะอืมดูเอาไม้ไผ่สองชี้มาสีกันทับไปทีเนื้อไฟมันเกิดผู้ดูนั้นเลยยินยังงั้นก็ เอไม่ไฟมาอยากจะได้ไฟ น, นี่ที่ทางเราว่าสีไฟสีไฟชัดเปลี่ยวแตเ น, นี่ะความเกลียดทานในความลำคาญต้อเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลยอืมก็นึกใจลำคาญใจอดทนไม่ได้ยังไงเปลา่าก็เห็นว่าไฟหนึ่งก็เลยหยุดเนี้ยแต่เพราะว่าอความร้อนมันยังไม่สมรุ่นกันความร้อนมันยังไม่พอไฟมันก็นังตื่น บูรุษนั้นก็เข้าใจไปแล้วอยากจะให้มีไฟเร็วๆแลว้วเหน่อยเราลองทานอะไรแล้วนี่แหละก็หยุดจากการสีไฟนั่นหมดเพราะว่าอะไรก็เข้าใจว่าไฟไมะไีไอความร้อนมันไม่สมรุ่นกันมันก็ยังไปเกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอการไอความเพียงเขาไม่ถึงแค่ในกระดอยตัวะอ น, นันตเพียงไฟนะอืมอันนี้บาป ก, ก็ไม่มีนบุญก็ไม่มี มักผนมิพานก็ไม่มีมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ไปทําดูแล้วบางคนทําชั่วได้ดีกนเยอะไหมบางคนทําดีได้ชั่วกว่าเยอะไหมบางคนทําอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันเนี้อ่าอันนี้คือเรารู้ไม่จริงอันนี้อิดมันไม่มีสักถามก็ปล่อยว่าเนี่ยมันทนไม่ไหวคือทุกข์มาแหละมือบุะสีไฟมันทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาโควาลงปา ทำสอนพระพุทธเจ้าต่งสอนกลับกันแล้ว่าทุกขจักนั่นแหละคือทุกทุกนั่นแหละจะทําให้คนเกิดปัญญานอกจากทุกไปแล้วไม่ให้คนเกิดปัญญาทุกนั่นแหละให้เกิดปัญญาเมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเร็จคิดอืมมันจะเร็จคิดมันจะเร็จพิจารณาหาความจริงมันผิดไอ้ความผิดนั่นแหละมันจะทําให้ถูก ไอความผิดมันจะทําหำผิดเมื่อเห็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูกเมื่อถูกกันแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปแค่เขาไปคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเหมือนสวิตไฟฟ้ามาทํากันมาฐานแล้วกดสวิตมันครับมันจ้าเป็นมาอะไรนี่เขาตอบใจอย่างเงี้ทีนี้เมื่อเขาจะปิดมันก็ปิดสวิตไฟฟ้ามันก็รับครับนี่ เขาชอบกันอย่างนี้อันนี้มันเป็นความเห็นของคนงูเป็นความเห็นของคนมีตัณหาเป็นความเห็นของคนโลวไม่อยากทำเพียนเลยไม่อยากทำศีลไม่อยากทำสมาธิไม่อยากทำป fixed, ัญญา penguin, ไม่อยากจะอดทนไม่อยากอะไรก็อะไรทั้งนั้นนะถ้าอยากจะได้ไดเฉยมันตโนกจากคาสอนพระพุทธเจ้าของเราคาสอนพระพุทธเจ้าของเรามันมีเหตุ ที่ทำมาให้ตุปะปะวาทำทางหลายมันเกิดพ่อเหตุเมื่อมันดับเหตุมันก็ดับก่อนเมื่อเหตุดับแล้วผลก็จึงดับอันนั้นเขาไม่ต้องการเหตุเขาจะทําให้มันเกิดขึ้นอืมตามใจเพราะครับอันนี้มันไม่ได้ธรรมะมันจะ ต, ตามใจคนที่ผิดธรรมะมันต้องอืมเป็นสภาวะที่ถูกต้องถ้าทําที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาคัมัน ถ้ามันถูกต้องล่ะแล้วามถูกต้องมันจะเกิดขึ้นมาเองอืมมีความถูกต้องทุกอย่างการกระทําที่ถูกต้องอืการพูดที่ถูกต้องการคิดเอการพูดที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมามนี่เขาไปคิดอย่างนั้นแค่นี้เขาจะมาปรุงเอาเขามันจะแต่งเอาให้ตามความอยากของเขานั่นเองอ่ะอืมมันก็เป็นไปได้ยากที่นั้นการบวชที่นี่มันก็เรียกว่าอืมบวชกันให้มี เหตุคนเนี้ยสักนิดหนึ่งจะบวชสามเดือนก็ต้องมาปรึกษากันอสมควรว่าบวชอะไรเพื่ออะไรบวชวันนี่มันไม่ได้อะไรนะอืมมันได้อะไรไอคนที่โง่มันก็ไม่อยากจะทิ้งของชั่วไม่ชอบปิดของชั่วในใจเราเนี่ยไอธรรมะช่วยเปิดออกช่วยเปิดเห็นความชั่วเปิดเห็นคนวามผิดอืมเ น, นี่ย ไอผู้ตุโชนคนหนาะเราช่วยผิดความชั่วช่วยผิดความผิดของตัวไว้ไม่ให้ใครรู้เ น, นี่ยมันต่างกันอย่างเนี้ยคนมีจิตดิ้นตัญหาอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่บวช ด, ด้วยศรัทธากมที่เรียกว่าศรัทธานี่ยังก็พูดจากเหมือนกันอืมตอนเชื่อถือกันมีความเชื่อถือในสิ่งนั้นมีความเชื่อถือในสิ่งนั้น พี่เห็นว่าชอบแล้วใชได้ที่เห็นว่าชอบแล้ ว, เ, ว, ลวเรว่อการกระทันตเป็นนี้เราจะต้องทำอยู่สะกดนั่นจะต้องทำอยู่สะกดในการกระทําทของเรานะั้นเช่นว่ายกกระโถนไปนี้ไปโน่ยจกระโถนไปนี่กลับมานี้นี่ก่อนไม่ต้องทําอะไรเราเไปทํานี่ก่อนเถอะเนี่ยให้ความค้ามอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยาถามเลยอย่างนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นยังไม่ไม่คนศึกษา ให้ท่านศึกษาว่าเอาตะโถนมานี่มาตั้งนี้เน่ก็ยกไปนั่นเน่ก็จัดมาตั้งนี้นี่หน้าที่ของท่านอย่าพึ่งถามไปเช่นุรุษูกที่หิวข้าก็ อ, อ, อยากจะทานข้าก็มาทานข้าวทานไปเรื่อยๆอย่าไปนึกถึงในเมื่อไรไมันจะอิ่มเมื่อไรมันจะหายหิวเนาะอันนั่นอย่าพึ่งมันเลยให้ท่านบริโภคทานอาหารนี่เรื่อยๆเลยฮะอืมอย่าไปว้าเอาอนาคตมันมาใส่มันเลย การทานข้าวของท่านไม่หยุดนี่เองมันจะพบความอเดี๋ยวมันจะพบความหายหิวของท่านขอให้ท่านอืทานอาหารนี่เรื่อยๆไปสั้นนั้นพอแล้วไม่ต้องถามมาเมื่อไรพบจะอิ่มเมื่อไรว่าะจะหายหิวอันนั้นไม่มีปัญหาเนี่ยอือทำไมไม่มีไม่มีปัญหาการกระทาเช่นนีนะ้การบริโภคนี่นะอือนะ มันจะเป็นเหตุให้เธอรู้จักการพอรู้จักการอิม่มให้มีความหายหิวกระหายในการบริโภคอาหารนั้นได้เมื่อตองไปกังวลในเมื่อไรเขจะอิม่มเมื่อไรเขจะหายหิวอันนั้นไม่ต้องแล้วาการกระทาเช่นนี้มันจะบอกเองโรยหลุ่นก็นั่งทานอาหารไปเรื่อยไปเต่นั้นเนี่ยที่ขนขาไว้เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใช่ไม่เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความทุกข์ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้มันก็หมายความว่าเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการถ้าไม่ได้แเ้าก็ทุกข์เท่านี้เองความอยากจะได้นี่มันเป็นตัณหามันเป็นตัณหาแขนงหนึ่งเกิดมาจากความหลง่ะอืมคิดว่าต้องการอยากจะได้ คือที่มันได้ในทางพุทธศาสนาเนี่ได้ได้เสื่อละไม่ใช่ได้แบกไว้ถ้าแบกไว้มันหนักมันได้คนในอย่างแต่ชื่อมันนันเดียวกันออต้องการอยากจะถึงความสงบอยากได้ความสงบถ้าอยากได้ความสงบนั่นอ่ะมันต้องวางนะอยากได้ความเบามันต้องทิ้งท่อนไม้ที่เราแบกไว้ทิ้งหนักเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราทิ้งมันไปมันก็เบา นี่เรียวว่าอยากได้ความเบาอ่าอืมันก็สงบอยากได้ความสงบเนี่ยไอคนเราเดี๋ยวนี้มันไงเงี้ยมันอยากได้มันเอามาแบกไว้ก็เอามาแบกไว้แต่มันอยากได้เบาอืมไม่อยากจะให้มันหนักแต่อยากจะแบกอยู่นี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้อืมท่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อม่ให้แบกไว้เนี่ยก็เพื่อให้ว่า คำที่ว่าแบบเนี่ยคือตัวอุปทานเนี่ยมันยึดทางใจไว้มันยึดไว้ถ้าเนี่ยทําไปเมื่อหากว่ามันทุกเกิดขึ้นมาท่านก็รู้เท่าทุกันนั้นอย่ากพิจารณาว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกอืแต่รู้จักทุกแต่เราไม่เป็นเจ้าของทุกอาการทุกมันก็มีอยู่เห็นว่าทุกอันนี้มันก็ไม่แน่มันเป็นอันดิจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ ม, มันก็ระลายไปนในตัวมดนะ ม, มันมีความสุขอาการสุขเกิดขึ้นมาแล้วพอพิจารณาว่าเจ้าของสุขไม่มีมเตสุขสุขนี่มันก็ไม่แน่สุขนี่มันก็ไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนไปสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันไม่คงเส้นคงวาอะไรแต่ว่าอาการที่มีสุขอาการที่มีทุกข์นั้นมันก็มีอยู่ แต่มีนอกใจเราอืมแต่เราไม่ไปแบกแต่ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของสุขอันนั้นทุกอันนั้นเขาเป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าไปเป็นเจ้าของมันมันก็จะทุกเพราะอันนั้นมันไม่แน่นอนอืมวันนี้เราชอบใจพวกนี้ไม่ชอบอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะไปยึดอะไรมันทํำไมมันมีมาแล้วก็รู้มันซะเมื่อเรารู้มันเช่นนี้ปัญหามันก็หมดไปนี่ปัญหาจน้อยไป อือาการโศทุกข์อะไรแบบนี้ยแล้วก็ไม่วิ่งกันมันส่วนโลกีวิสัยมันก็อยู่งั้นไปเรื่อยนมะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วให้เราศึกษาอย่างนี้ไม่ว่า ม, มันจะมีอยู่ที่นี่ก็ช่างมันมันจะอยู่ที่อื่นก็ช่างมันอืมอย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยอยู่ในป่านี้มันม่นกา ย, ยาากวิเวกแตาเวลาเรามาบําเพ็ญธรรมเนี่ย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 ตาหูเจมูฟรีนตายจิตจะอยู่เสมอมัมไม่ใช่ว่าเราหนีมาเพื่อความโง่เราหนีมาเพื่อความฉลาดไม่ใช่เราหนีโลกมาอันนี้เรามาศึกษาโลกให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกรีตูต่างหากนะไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วเราไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่แบบนั้นในธรรมะนี้มันเป็นความจริงมันตัดกระแสก็มันเรื่อยๆไปมันจะตรงมันจะตรงไปตรงมาเรื่อยๆมันไม่ขึ้นต่อจิตใจของใครทั้งนั้นน ะ, นะมีแต่ใจของบุคคลไปขึ้นต่อธรรมะอันแทแ้ทแทจริงคือความจริงอย่างนั้นจริงบวชจริงให้มีความหมายเนี่ยเพราะสมควร ตัววันนี้ดูดิโยมก็ดูทีว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะไม่มีของเนี่ยดูจิเนี่ยเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่รวยเนี่ยเนี่ยแล้วโยมดูต่อปีะ่ะไอ้คนรวยเนี่ยมีสุขไหมมันหมดทุกข์เดยทุก อ, อย่างนี่มันเห็นเห็นกันอยู่นี่โยมเคยเห็นไหมคือทุกข์กับสุขน่ะหรือทุกข์กับรวเนย จะมีความสบายได้ไม่ใช่ว่ามันขึ้นต่ออะไรมันขึ้นต่อความเห็นถูกแล้นะถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่้มันจะเป็นมหาเศรษฐีมันก็ทุกข์มันจะเป็นคนไม่มีมันก็ทุกข์ท้ายๆก็ตายเนี่ยตายมันขึ้นต่อใครมันขึ้นต่อคนแก่เดี๋ยวคน ม, ม, มันใช่ เนี่ยมันคนไในยา like นกันมันคนในยางกันเด็กก็ชังมันคนแก่ก็ตามมันมันคนในยานกันอืแก่มันก็ตายได้เป็นเด็กมันก็ตายได้คนจนมันก็ทุกได้ไอ้คนรวยมันก็ทุกได้เนี่ยมันเป็นเห็นนั้นไม่ใช่ว่าเด็กไม่ตายง่ายแก่ก็ตายเร็วนี่โดยปริยายอย่างเนี้ยอืม อันนี้มันเป็นของไม่แ น, น่เหมือนกันแต่ความทุกข์มันแตกต่างกันเท่านั้นใช่อืามทุกข์แตกต่างกันเช่นว่าเช่นว่าไอ้ไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนยินธรรมดาเนาะขนาดโยมกั็แบกเต็มแรงของโยมนะโอหนักถ้าจะมาเออแบบนี่ไปส่งที่นวัดเนี่ยโอ้ยผมเอาไปไม่ไหวน ะ, นะถ้าว่าเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอนะ นะอันนั้นก็ทุกพอทุกควรเลยแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุตลาแบกเลยให้แบกได้ก็แบกเอาแต่ก่อนเพจก่อนนี้แม่โยมจะจองกับคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังก็จะแบกทุกไหมทุกแต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทำนี่้าอะไรอะไรใดเราไม่ชอบแล้วไม่ถึงขนาดนั้นครับแม่สักห้าหกกิโลนี่โยมก็ไม่ ไม่ก็ไม่ต้องการมกผมหนักผมอะไรต่ออะไรถ้าว่าเป็นก้อนเพชรนี่โยมเอานี่ครับโยมจะไม่เรียกใครมาช่วยมันจะแบง่งมันจะเป็นมีส่วนแบง่งต่ว่ามันหนักเท่ากาันความทุกข์มันจะหน้าหน้าความทุกข์มันจะจะต่างกันอืต่างกันนี่เพราะว่าก้อนเพชรก้อนยินธรรมดานั่งหนาหน้ําหนักมันก็จะเท่ากันก่ะอืะแต่ธรรมชาติมันเอาของเป ใส่เข้าไปที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นอนะ่ออันอันหนึ่งเอาไปใส่ไปในธรรมชาติไปใส่ไปในก้อนหินมันต่างกันมันเป็นเจนนั้นน้ำหนักเท่ากันแต่ว่ามันมันหนักกว่กันเพราะมันเป็นที่กิดของโยมแล้วนะก้อนหินนไม่มีราคาห้างก้อนเพชรมันมีราคายอมกว่ชอบนะหนักก็ทนมันอยู่ที่กิดไปกลงรับใช่ไหมใช้ ไปยึดมันอุปทานมันไหมมันออืมอืมจะเขาชอบใจก็อยากได้มากๆเขาไม่ชอบจะนิดน้อยกว่ า, า, ามากยาวไปพุกมากเลยทําไมเลยนั่นก็เป็นอย่างนี้อ่เรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็นเพราะนั้นทาจงหวัดปีจนาห์นี้เพือ่อว่ามันปลุ ก, กจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้น พิธีของคนเรานี่มันก็เอาออกอยากมันไงนะเอาออกอยากขึ้นพูดง่ายๆ่าโยมกำลังสร้างบ้านสวยเสร็จมาสักประมาณสักเดือนหนึ่งกำลังขึ้นอยู่แล้มีพระมีพระเดินไปดีมีใครเดินไปโยมบ้านนั้งนี้รื้อเถอะ โยมกูนึกว่าออืเขาจะพูดเพราะนี่นะทั้งก็ชวนบ้านหลังนี้ดื้อะทำไมมันไม่ใส่ของเราคือมาทิ้งโยมก็จะเชิญเยอะเ น, นี่ยเนีน่ยจนกว่าไอไ้อคนคนนี้น่ะจะให้เหตุผลในโยมรื้อบ้านหลังนี้เี่ยจะหาคนอย่างไรมามาพูดให้โยมเข้าใจจะมีศรัทธารื้อบ้านหลัง น, นี้ได้ นี่ทิฏฐิมานาคคนคนมีมันยิ่งกว่านั้นอีกหลายกลับหลายกันมันก็ยังไม่ตล้าเปลี่ยงแปลงเท่านั้นน่ะมันยึดมั่นอยืไว้ฉะนั้นทิฏฐิทิฏฐิมานาคคนคนเนี้ยมันเป็นของยากระเบิดภูเขาดูกโตๆมันก็เร็วกว่าอืมมีกข้อผลอหินเน่ยไปขายนี่ยยังไม่กี่ปีมันก็หมดภูเขาไอ้คนนี้ก็มันเอาออกยากอืม่ะมันไม่ยอมละอันนั้น ทิฏฐิอันนั้นมันฝังอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่เห็นเมื่อปัญญาไม่ชัดไม่รู้แจ้งเมื่อไรก็โยมก็นึกด้ยูอะไรกร็แล้วกันถ้าใครมีใครมาชวนรื้อบ้านโยมจากคนอยู่ไหมแต่คนเดียมาชวนรื้อบ้านน่ที่มีเหตุผลเพียงใดเรจาจึงจะรื้อบ้านตรงนะี้อันนี้อันนี้มันจะหนักหรือเบาเราก็ต้องไปพิจนนารณาดูเรื่องทิฏฐิอันเนี้ยทิฏฐิมนะที่เราถือไว้เนี่ยที่เรายึดไวเนี้่ว่าตัวเราว่า น, นี่ของเรา ทั้นี้ฮะไม่จริ้งไม่จริ้งง่ายๆจนกว่ามันจิตนี่มันจะฟังธรรม็นหินมันเปลี่ยนพีจนาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอืเปลี่ยนไปจนกนําหนดพิจารณาเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงจริงบัดนี้คนคนนั้นจึงจะพยายามละอันนั้นจีนนนตละน้อยละน้อยจนกว่า ม, มันจะหมดตั้ง เมื่อร้าได้คิดมันก็เปลี่ยนไปสูงขึนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลีป่ยนไปเรื่อย ๆ, ๆจนกว่าจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ตน้นไม่ใช่ตั ว, ไ ม, วไม่ใช่เราไอเจ้าของของเราเนี่ยมันก็เห็นไในยากเห็นในลาบากบางคนยังไม่ฟังชั่งว่านี่ไม่ไม่ใช่ตัวเรานะนั่นไม่ใช่ของเรานะ่ยังไม่ได้ยินนะนึ Suzanne, วกว่าอะไรเลยยินเฉยๆใจมันเพาไปดึ้อิตไม่เพาไป มันธรรมะท่านจะว่าเป็นของซึ่งต้องใช้ปัญญาสิปัญญาอันนี้ปัญญานี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสาเหยียบมจากอะไรปัจจัยปัจจัยมันน้อยอืมเหตุมันน้อยในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันในอดีตอดีตที่เป็นมาแล้วบีบากมันจะกว่ า, ว า, ามจริงอย่างเป็นกรร ม, มเป็นกิเลสในกต่เป็นบีบาก ที่เราสร้างสมอบรมไว้ในอภิตกาลบ้างในปัจจุบันมีบ้างมันน้อยคือเราไม่ค่อยๆได้ศึกษามาันเช่นว่าท่านในพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่ครกรรมฐานเกาโลมานะคาตันตาส า, าจงเราบางคนไม่เห็นง่ายๆเพราะเราไม่ศึกษามาันบ่อยแต่เรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเรืเอ่ยอยๆเป็นเรื่องเป็นอนิจจแล้วก็พูดถึงอนิจจงแต่ความจริงๆนะ พูดแต่ปาดมันเห็นชัดปัญญามันไม่เกิดอืมเรื่องปัญญามันจะเกิดถ้า ต, ต้องหึงได้ฟังสองได้คิดสามในภาวนาสามะระดับนี้ต้องติดตามเราอยู่เสอมอนั่งอยู่เดินอยู่งอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็คิดเสมอให้เป็นวิริยารำพะปลาแลูกความเพียนอยู่เสมอนี่เพื่ออันนี้เป็นเหตุ เช่นว่าผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันใกล้ ก, กับการรูทําแล้วแต่อยู่ห่างไ ก, กลพรกปราดห่างไกลผูบาอาจารย์ห่างไกลผู้แนะนํารําสอนนิสัยอันนี้อาจจะเนินชาไปก็ได้เนินชาไปก็ได้ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันเนิน้าแต่ว่าใกล้ครูบาอาจารย์ปราดบัณฑิตทั้งหลายที่จะนีน้นําคําสอนอยู่ใ น, เนืเมืองไอคนคนนี้อาจจะไปก่อนก็ได้ มันหางไกลกันมั น, ม, นมันเป็นเพราะอันนี้อันนี้ท่านเนวารีบาตวิปากาธรรมาการสมาคมมีส่วนอการครบค้าสมาคมมีส่วนมีมีส่วนที่จะหลงมีส่วนที่จะโลมีส่วนจะให้เหตุผลเราด้วยไปอืมเช่นว่าเราคิดดิงก็ได้ นะเรื่องสมาคมทางนอกเราทําให้กลมเกลียวสามะกีกันถ้ามันคงเกลียวสามะกีกันฟีฟีนน้องๆในชนบทนั้นนั้ น, นจะเจริญขึ้นนี่ส่วนหนึ่งยืนเลินนั่ง น, นอนปรับจาจความทุกข์ดินน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามะกีพอดีซึ่งกันกันแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราคล่องอืมอยู่สบาย ไม่ปวดหัวตัวร้อนเรวเทียบมาในปีวันอยู่งเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิข อ, องเรามีดินน้ำไฟรมนี้ถ้นาหากว่าลมมันมากน้ำมันน้อยอืมน่ะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เดียวว๋ยกว่ามันจะเกิด ป, ปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดียววะ่ะอ่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัายความสมามีสิ้นกันในกันอืมอันนี้เป็นเหมือนกัน ในส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันถ้ามีความพร้อมสมรุ่นบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อใดแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันก็นเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นว่าเขาดินทาเราเราก็เสียใจเขาเชิญเสือเราเราก็ดีใจเนี่ยอืม เมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็วิ่งกับสุขวิ่งกับทุกวิ่งกับความดีใจวิ่งกับความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโรกโยมก็วิ่งอยู่กับโรคตลอดเวลาเรียกวัาตระหนุสารเป็นวัตตาวนมีความสุขแล้วสุขหายไปทกุก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกขึ้นมา ตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปมเมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้าง อ, อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบ ม, มันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาส้นไปกว่านั้นนีว่าสุข เลือทุกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้่ะมันเมื่อไรว่าไอ้ไอ้สุกนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงว่าถ้าโยกเห็นเจนนี้แล้ว เ, เข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์ เพราะมันไม่ทื่อเพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจะเป็นอนัตตาไม่เจตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมเคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่มี่ก็คนคนเดียวนั่นแหละ เดียวยมจะให้โยมรวมกันมาในรวมกัลรวมกันทำ ม, มาโยมกำถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกนี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกไมมีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็เดเป็นทุกเห ม, มือนกันกระถูกลูกศอนเขาอยู่ด้วยไปไม่มีทางสงบทุกทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาทวนโยมให้โยมกลับพิจารณาอืกับพิจารณาเช่นว่า น้ำเราไปตามน้ำที่เทียงนะะยังไม่ได้บ่งมันออกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็โยงมอืมมันก็ดำพานดำพานเดี๋ยวมันจะกิดอยู่นั่นแหละโยมจะรู้ที่แท้จริงก็จะก็เพราะอาการอย่างนะเย็นกบนหนึ่งโยมไปโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้นะดูให้ถนาดซะดูให้ดีซะ จะเห็นหนามอีกตรงนั้นเนื้อบุ่งเอานามพราวเอาามนันออกเนี่ยไอย้เพราะความเจ็บปวดเช่นนั้นนะห้โยมพิจารณากระไปถึงตัวจริงมันนี่คืออะไร